บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยยะต่งตางๆนั้นไม่ว่าจะมองจากจุดใดก็ตามเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกร่ฐานะของธรรมะเหล่านั้นแล้ว ก็จะดำเนินเข้าไปสู่กลุ่มของพาเวตประธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือปหาตประธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้ละที่เราพูดกันโดยสรุปว่าละบาปบปาเพ็ญบุญหรือวะละชั่วประพฤติหรือไม่ทาบาปทั้งปวงทำกุศลให้สมบูรณ์เป็นต้น เมื่อผลที่เกิดขึ้นจากการละชั่วและบมเพ็ญความดีบุคคลก็จะรับผลคือความสุขเพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็ต้องลดลงไปและยามใดที่ผลจากการละความชั่วได้สมบูรณ์ผลจากการประพฤติปฏิบัติความดีได้สมบูรณ์บุคคลก็รับผลคือความสุขที่สมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือสูตรที่เป็นโครงสร้างหลักในการปฏิบัติธรรมะมันจะทรงแสดงไว้โดยนยะอะไรปรากฏในรูปแบบไหนก็ตามและในที่สุดก็จะเดิดมาในแนวนี้อย่างในคาถาที่ท่านพระตราวุฒมานพได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าในเชิงที่เป็นพระคุณซึ่งได้กล่าวมาตอนหนึ่งแล้วนั้น เป็นการแสดงในเชิงเหตุและในเชิงผลซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่สมบูรณ์เพราะปรากฏในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านเริ่มต้นด้วยคำว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีความอะไรดับตัณหาหมดสิ้นไปแล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ข้ามโอคาได้แล้วไม่มีความดำมริมีปัญญาดีชนทั้งหลายผู้เมื่อได้ฟังธรรมจากโรงแล้วก็จะหลีกไปจากที่นี้แม้จะเป็นการแสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันแต่ผู้ปฏิบัตธิธรรมก็จะมองเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงผลคือนิโรธสัต์ และเป็นกล่าวเป็นการกล่าวถึงเหตุคือการดับสมุทัยสัตว์ที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าต่นเองแม้จะไม่ได้กล่าวถึงมรรคสัตย์และทุกสัตย์เอาไว้ก็พึงทราบโดยนยะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้หมายความว่ามรรคสัตย์นั้นเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วทุกสัตย์จึงหมดสิ้นไปอย่างแท้จริงนั่นเอง สภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นใก้ใครก็ตามซึ่งไม่มีความอะไรไม่หวั่นไหวเป็นผู้คงที่ไม่มีความดันรีด้วยนาฏของกาบเป็นต้นนั้นเป็นการแสดงเห็นว่าท่านเข้าท่านผู้นั้นเข้าถึงผลสูงสุดในทางประพฤติปฏิบัติและผลสูงสุดเฉพาะที่ท่านกล่าวในที่นี้ ก็คือการดับตัณหากับการข้ามอุปรรคบ้านสภาพจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาดีตามนัยามของพระพุทธคุณที่กล่าวสรรเสริญกันนั่นเองว่าสมมาสมพุทโธหรือบางครั้งก็เรียกว่าพุทโธเฉยเป็นการเน้นให้เห็นถึง ป, ปัญญาขุนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงสองคำที่ท่านใช้คำว่าไม่มีความดําริกับมีปัญญาดีซึ่ทั้งสองคำนี้ที่จริงก็เป็นปัจจัยของการอะไกันการที่บุคคลไม่มีความดําริก็เพราะว่ามีปัญญาดีเมื่อบุคคลมีปัญญาดีก็จะไม่มีความดําริแต่ความดําริในความหมายที่ท่านกล่าวถึงนั้น ตามปกติแล้วคนเราจะต้องมีความดําริมีความตรึกนึกเป็นปกติธรรมดาความตรึกนึกของบุคคลก็จะสังเกตได้ว่าจะออกมาในสามแนวตามลักษณะของธรรมะทั้งสามกลุ่มที่ท่านแบ่งเป็นกุศลอกุศลและกลางๆหรือที่ใช้สวดว่ากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัพยากตาธรรมะนั่นเองเพราะความดําริของคนมันก็เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราเป็นงานภารกิจของจิตโดยเฉพาะจิตนั้นจะทําหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสคือที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผตภัณฑ์เมื่อรับแล้วก็จะนํามาเก็บไว้ภายในจิตที่เราเรียกว่าสัญญาก็คือความจําอันเป็นขันประการหนึ่งในขันห้า การรวรมทางประสาทสัมผัสก็เป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์หได้แก่วิญญาณนักันหลังจากนั้นจิตก็จะคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นซึ่งอาจจะใช้คำสังกปะบ้างอาจจะใช้คำว่าจินตนาคือความคิดบ้างอาจจะใช้โดยความหมายอย่างอื่นบ้างเช่นว่าวิตกวิจารซึ่งก็แปลความตรึกนึกเหมือนกัน ในความจึงนึกของบุคคล น, นั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่กับประสาทสัมผัสคือถ้าประสาทสัมผัสเรารับเรื่องดีๆเอาไว้เราก็จะจําเรื่องดีๆไว้ภายในใจเวลาจึกนึกหรือเหนียดนึกหรือดําริถึงก็จะดําริถึงในแง่ที่ดีๆเพราะคนเราจะคิดอะไรนอกประสบการณ์ตัวเองไม่ได้แต่ทีนี้ปัจจัยนั้นจึงมีอยู่สองปัจจัยด้วยกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์ภายนอกนั้นทรงใช้คำว่าวัตถุกรรมคือวัตถุที่เป็นที่ตั้งของความใคร่คือความกำหนัดดินดีที่จึงก็เป็นที่ตั้งของโทสะคือความขัดเคึ้งด้วยแต่ว่าการใช้คําว่าวัตถุกรรมนั้นฟังง่ายกว่าโทสะแต่เมื่อมองในเชิงของการปฏิบัติก็จะพบว่าที่จริงมันก็ซ้อนกันอยู่ ในกรณีที่เกิดความชอบขึ้นมาถ้าเขาได้ตามที่ชอบความชอบก็เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ตามที่ชอบก็เกิดโทสะคือความกัดเคลืองขึ้ น, นมาหรือว่าได้มาแล้วจึงเหล่านั้นเกิดไม่เป็นไปดังที่ตัวต้องการก็เกิดโทสะขึ้นหรือว่ามีการแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกคือความโศกขึ้นดั้นกิเลสบางอย่างจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงไว้ เพราะแสดงหรือไม่แสดงก็คือการแสดงเมื่อปฏิบัติละได้ในส่วนหนึ่งเช่นบุคคลละในส่วนของความใคร่ได้หรือความกัดเครืองมันก็ถูกละไปด้วยเพราะความใคร่กับความกัดเครืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลซึ่งบุคคลจะเห็นได้ว่าเช่นในกรณีของความรักความรักอาจจะเกิดจากความรักก็ได้เช่นกรณีตัวอย่างเช่น เรามีความรักคนใดคนหนึ่งจุแล้วคนอื่นก็มารักคนนั้นด้วยจะรักญาติพี่น้องคนอื่นก็เป็นเพื่อนของญาติพี่น้องเราเราก็รักคนนั้นด้วยนี่แสดงเห็นว่าความรักกก็เกิดมาจากความรักแต่บางอย่างความรักก็เกิดเกิดขึ้นมาจากความชังก็ได้เช่นอะไรเช่นว่านายกไม่ชอบนายออยู่พอดีนายคอมาเกิดไม่ชอบนายอด้วย นายก็เกิดรักนายคอ ร, รู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีศัตรูร่วมกันนี่แสดงเห็นว่าไอ้ตัวความรักนั้นกเกิดขึ้นจากความชังไม่จะเกิดขึ้นจากความรักแต่ตัวตัวกระตุ้นจริงๆก็คือการที่นายคอมีพฤติกรรมเป็นศัตรูกรับนายขอซึ่งเป็นศัตรูกรับนายกอนั่นเองนั้นก็คือสภาพจิตที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกิเลสบางครั้งจึงท่งแสดงในรูปการรักกิเลสเพียงตันหา บางครั้งก็พูดเพียงอาสวะบางครั้งก็พูดเพียงโอฆะอย่างที่แสดงมาแล้วโดยลํำดับแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วสิ่งแม้สิ่งที่ไม่พูดถึงแต่ถ้าเป็นกลุ่มของกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการพูดถึงด้วยเพราะว่าเวลาละนั้นก็ต้องละติดเข้าไปด้วยใ น, นความดําริสึกนึกเหล่านี้จึงมีปัญหาอยู่ที่สําหรับสามั ญ, ญชนทั่วไปใจนั้นมีเชื้อที่จะรับ กวามกหนัดรักใคร่ยินดีเจพระสภาพใจของบุคคลท่านบอกว่าตกอยู่ในอาลัยคือการมกุลมีความกาหนัดความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเสมอไปเพราะวันใดที่เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกเป็นต้นแล้วเกิดกำหนดค่าของสิ่งเดีดนั้นขึ้นมาใจก็จะเก็บสิ่งนั้นไว้ในฐานะที่เป็นของมีค่า รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องต้นแล้วมาเก็บไว้ในแนวนั้นใจก็จะจึกนึกถึงด้วยอํานาจของความใคร่ที่เรียกว่ากามมุตกหรือกามาสังกับปะคือจึกนึกด้วยอํานาจของความใคร่แต่คนนี้เพิงสังเกตว่าในวัตถุเดียวกันในอารมณ์เดียวกันนั่นเองถ้าใจไปกําหนดเป็นเฉยๆก็จะเก็บไว้ในฐานะของความเฉยๆ เวลาจะคิดถึงก็จะคิดถึงในแนวเฉย ๆ, ๆ, ๆคือไม่ตกไปในความรักหรือความชังที่วัตถุเดียวกันอารมณ์เดียวกันนั่นเองถ้าเก็บไว้อีกฐานะหนึ่งเก็บไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูถ้าเก็บไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูเวลาเนียวนึกถึงก็จะเหนียวนึกถึงในฐานะที่เป็นศัตรูตามไปด้วยเป็นลักษณะเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการทางจิตที่มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอ ถ้าเริ่มต้นเสียแล้วมันก็ต้องเสียแต่ถ้าเริ่มต้นดีมันก็จะดีก็เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติธรรมดาคล้ายๆกับปะคือน้ํามันขุนข้างบนพอไหลลงมาข้างล่างมันก็ขุนตามไปด้วยแต่ถ้าน้ำใสยอยู่ข้างบนเวลไหลลงมาข้างล่างมันก็ใสาตามไปกระบวนการของธรรมะก็มีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นเรื่องของตั้งกปะคือความดงริ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการรับอารมณ์และการเก็บอารมณ์ในชีวิตประจําวันของบุคคลทั้งหลายแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าในส่วนของอารมณ์ภายนอกนั้นไม่ค่อยมีความสําคัญเท่ากับพื้นจิตของบุคคลที่มีธาตุคือธาตุุธาตุอยู่ภายในใจ อย่างในกรณีนี้ก็มีการมาธาตุโทสะธาตุพยาบาทธาตุเป็นต้นมีอยู่แล้วภายในใจเมื่อได้รับอารมณ์จากภายนอกก็เหมือนกับแผลที่ไปกระทบกับของแข็งเข่ามันจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาจิตใจของบุคคลที่มีพื้นคือกิเลสอยู่ภายในจิตก็จะมีลักษณะดังนั้นวรานวิธีการ ประพฤตปฏิบัติเพื่อเจ้าก็ทรงสอนถึงโทษของความดำริให้เห็นโดยเฉพาะคือความดำริที่เป็นมิจฉาสังกปะหรือความดำริในทางที่ผิดตอนนี้ก็จะต้องมองเห็นโลกในฐานะที่เป็นทวิภาวะคือความเป็นคู่คือเป็นตัวแก้กันมันจะมีอย่างนี้มาตลอดทุกจุดเช่นว่ามีกลางคืนมีกลางวานันมีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์ จนถึงวิชาการบางอย่างเช่นมีสายดําก็มีสายขาวมีพัญญาดําก็มีพิญญาขาวเพราะว่าใจของบุคคลนั้นหรือสภาประทับนั้นมีสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยแต่ละสายจะเป็นกระบวนการของเขาเองแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายสัมมาทิฏฐิจะชนะมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าในระยะเดินทางนั้นจะเป็นการต่อสู้กันอยู่ตลอดไปเวลวาใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแกมีกําลัง ก็สามารถครอบงาจิตยึดครองจิตได้ในขณะนั้นๆั้นเรื่องความดําริสมารบุคคลที่เป็นปุตุชนอยู่ก็เรียกว่ายังตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งจิตอยู่ลักษณะความดําริของคนจึงคนทั่วไปจึงไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าไม่มีความดําริ ท่านี้เป็นเพราะอะไรพราะพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ดําริในแนวที่เป็นมิจฉาสังกปะคือดําริในทางที่ผิดแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงดําริด้วยสมมาสังกปะที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยพระมหากรุณาเพราะงั้นจะดําริสิ่งทั้งหลายในแง่ของพระมหากรุณาเป็นฐานสําคัญในแต่ละวันแม้แต่พุทธกิจต่างๆแล้วก็แสดงว่ายอย่างนั้นแต่สําหรับ สามั ญ, ญชนแล้วเรื่องของความดั่งรินั้นจะต้องต่อสู้กันอยู่ร่ำไประหว่างความดั่งริด้วยอำนาจความใคร่กับความดั่งริที่จะออกไปจากความใคร่ก็เป็นการต่อสู้กันมีลักษณะเหมือนกับชักกระเยอะกันเวลาใดฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเกิดได้กําลังเข้ามาไปยทุ่มทับจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเชื่อว่าฝ่ายที่ก้อยเกิดเนคขมะจะมีกําลังขึ้นมา ใจก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวัตถุกรมทั้งหลายสามารถปล่อยสามารถวางสามารถละสละที่ออกมาในรูปของการบริจาคการเสียสละตดจนถึงกับการหลีกเร้นออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นแสดงเห็นว่าสภาพจิตในขณะนั้นขวายเนคขมัสังกปะคือความดำริที่จะออกจากการมก็มีกำลังแก่สามารถหยุดความเติบโตของการมสังกปะคือความดำริดยอำนาจของความคล่ได้ แต่ถ้าเรามองกันในแง่ของความจริงแล้วก็จะพบว่าการหาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่เพราะมีบางครั้งบางโอกาสที่จิตไปตกอยู่ในอำนาจของกามาสังกัปปะคือความดำริดวยอำนาจของความใคร่ความสงบที่ควรจะเกิดขึ้นภายในจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแกผลักดันกายวาจาให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่แกคิ ด, ด้วย ซึ่งสำนวนโบราณท่านพูดลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธาหัวเต่าคือจะมีลักษณะปรโปรโพโพรอยู่ด้วยคือบางทีก็เข้าวัดฟังธรรมจำศีลประพฤติปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งแสดงวอกไฟสมาสังกปะแกมีกำลังแต่บางทีก็หลุดหายจากวงจรของธรรมะไปตกวงจรของกามวิสัยหมกมุ่นวนวายอยู่ระยะหนึ่งซึ่งตามปกติทเทียบอัตราส่วนแล้วก็จะมากกว่า เพราะว่ากามนั้นมีอันสาทะคือความยินดีสำหรับบุคคลที่มีเชื่อความพอใจความกำหนัดรักใคร่ยินดีอยู่มากเมื่อใจไปได้สิ่งส่งเสริมสนับสนุนก็จะหมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมากเพราะนั้นการที่จะเดินตามเสด็จรอยบาทพระพุทธเจ้าไปได้ก็ต้องอาศัยการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ชัดเจน ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นที่เราใช้คาว่าวิปัสนาคือมองเห็นตามความจริงหรือมองเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนในแต่ละสิ่งที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะตามปกติแล้วสิ่งที่ก่อให้เกิดความกําหนัน้ n ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของโลกพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มของทุกขสัตย์ คือกลุ่มที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลภัณฑ์นั้นก็คือทุกขสัตย์ตอนนี้จะหาประโยชน์จากจุดนี้ก็ต้องมองจุดนี้ในแง่ของความเป็นทุกข์สัตย์เช่นมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยธรรมดาธรรมดาก็ม า, มาปรุงแต่งกันขึ้นมีความสวยความงามก็คล้ายๆกับสิ่งต่างๆแม้แต่เครื่อง วิทยุหรือเครื่องอะไรก็ตามคือเรามองดูข้างนอกก็ดูแล้วสวยอย่างงามดีแต่พอถอดไอสิ่งที่พุ่มข้างนอกออกไปมันก็กลายเป็นความไม่สวยงามอะไรจริงทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอันมากที่ส่งสอนเอาไว้แต่เราถึงการที่ส่งสอนหลักซึ่งพูดอยู่เสมอว่าผู้กบิณฑะปัจเวกขณะทั้งหประการเนี่ยโดยเฉพาคือสี่ประการแรก ที่บุคคลมีความกำหนัดปุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระส่ายกันอยู่กับ4ี่ประการแรกนั้นมากที่สุดคือเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความพลาดพลากแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจนจิตใจยอมรับความเป็นจริงในความดำริในแนวเดียวคือดำริดวงหน้าความใคร่ก็จะลดละลงไปคนนี้จะเห็นว่าการปลูกฝังพื้นฐานความเข้าใจในธรรมะระดับนี้ ันงทีก็ส่งแสดงในรูปที่เป็นรูปธรรมล้วนๆเช่นว่าเมื่อเบียชนคนที่รักพระพรากจากไปพระเจ้าก็ส่งแสดงเห็นว่าการร้องไห้ก็ดีหรือการเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกา ร, ร, กรพรากของเบียชนคนที่รักทั้งหลายก็ดีท่านเหล่านั้นไม่ได้รู้การร้องไห้ของเราท่านเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้น าการร้องไห้จึงไม่สมําเร็จประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่จากไปถ้าเป็นการซ้ําเติมตัวเองให้เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นสสูของตนเองก็รับความชื่นชมจินดีญาพี่น้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนตามไปนี่ก็เป็นการให้มองถึงในแง่ของความจริงนั่นเองเพราในแง่ของความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาในทางดีนอกจากจะไปเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีให้มากขึ้น แล้วก็ทรงสอนให้ทําในสิ่งที่บุคคลสามารถทําได้เทม ก, การบําเพ็ญกุศลทักษิน า, านุปาทานไปให้แก่ผู้ที่วายชนในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ทําแล้วเกิดผลแก่บุคคลทั้งสองหลายฝ่ายคือผู้ที่ตายไปแล้วได้รับทราบและองนมโมทนาส่วนบุญมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตนเองก็บรรเทาความโศกได้คือดับทุกข์ในขณะนั้นได้แล้วก็เพิ่มความดีขึ้นโดยการบำเพ็ญกุศลญาติพี่น้องก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุ ก, การแต่ตัวที่คอยจ้องฉกช่วยโอกาสอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นผลที่อาศัยความสูญเสียหรือให้สูญเสียเท่าที่สูญเสียแล้วเราก็เพิ่มความดีจากการสูญเสียขึ้นไปในลักษณะของความคิด ก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุผลในระดับหนึ่งเถิอแทนที่จะปล่อยให้ความโศกเข้าท่วมทับใจและลูกสอนคือความโศกเสียแทงใจก็ผ่อนคลายปบะบางลงไปแต่อย่างนั้นเป็นวิธีสอนที่จะให้คนได้ได้สนักถึงความจริงของชีวิตในแง่มุมต่างๆเพื่อจะลดความดั่งรีด้วยอำนาจความใคร่จนข ว, ว, ว่คว้าปรารถนาแสวงหาดิน้นรนกระเสือกกระสน จนถึงก็ทําทุจริตชอ่อกงเบียดเบียนบรรทุสร้ายบุคคลอื่นเพื่อได้มาในซึ่งวัตถุกรรมนั่นเองในสิ่งตามที่ตัวต้องการดังการกระทําในลักษณะนี้บุคคลก็จะมองเห็นความจริงว่าเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองแจะเป็นการรบกวนธรรมชาติเกินความจําเป็นทั้งสร้างความเดือดร้อนยืดเยื้อความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น เป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่ตนเองในโอกาสต่อไปและแม้ในปัจจุบันแต่เราต้องการที่ทรงสอนในแนวที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นเช่นในมองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็มาอย่างที่เรามาแล้วเราก็ไปอย่างที่เราไปคือเรามาเท่าไหร่เราก็ไปเท่าที่เราไปเพราะงั้นอะไรที่ เป็นรูปประวัตถุกก็จะสแสวงหาในทางที่ชอบทำจึงก็หมายความไอายตัวสังกัปะคือความดำริมันจะมีการมาสังกัปะอยู่อยู่อยู่ก็ตามแต่ถูกคุมไว้ในธรรมแะแต่ก็ให้เกิดการดํารงชีพในแนวของสามมาชีพยังมีการสแสวงหายังมีการได้มายังมีการครอบครองจะมีการกําหนดหมายว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นงามสิ่งนั้นมีค่าแต่ว่าการสแสวงหานั้นถูก ค, คุมเอาไว้โดยจิตสํานึกที่เป็นบาป เห็นบาปเห็นบุญต่างๆแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นนี่ก็เป็นการปฏิบัติขั้นของศีลธรรมจรนดาแล้วก็เดินเรื่อยมาจนถึงการปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐ า, านเจนทรงสอนให้บุคคลพิจารณาร่างกายหเห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโูกโค ร, บรอบโดประการต่างๆเป็นต้น เพรความกำลังของกามะขจะกำหนดในกายความดำเนิดด้วยอำนาจของความคลายก็จะดำเนิดด้วยด้วยอำนาจความคลายในในร่างกายตนเองแล้วก็กายบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกายตนเองได้มันก็เข้าใจกายคนอื่นได้กรนี้เรียกว่าเรียนรู้ในด้านของทุกขสัตว์แต่มาลดที่สมุทัยสัตว์ในเชิงการปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามมารรคตว ผลคือความสงบที่เกิดขึ้นในชั้นนั้นๆก็กลายเป็นนิโรธสัตว์ในชั้นนั้นๆหรือบางครั้งบางคราวก็ไม่มองในจุดนั้นคือจะมองในจุดของโทษแห่งความดํางริที่บังเกิดขึ้นคือดูสภาพจิตที่ประกอบด้วยกาลมีตกบุคคลก็จะเห็นว่าจิตที่ประกอบด้วยกาลมีตกนั้นจะมีลักษณะเหมือนาน้าที่เจือสีมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างโ น, น้นคล้คลายๆกับ น, น้ําที่ปนเปื้อนไปด้วยสีต่างๆก็แยกไม่ออกจะเอาอะไรกันแน่และในที่สุดตัวเองก็หาคําตอบอะไรไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงกันและขณะทายไปของจิตด้วยอํานาจกามสังกปะก็เป็นเช่นนั้นโด จ, จริงกําหนดลงไปแน่นอนไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงอย่โน้นก็อยากได้อย่างนี้ก็อยากได้อย่างนั้นก็อยากได้แล้วก็อยากได้เรื่อยไป แม้จะพยายามถามใจตัวเองว่าอยากได้ไปทําอะไรก็ไม่คิดถามเรีวได้ไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเนื่อตนจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยคิดถามตัวเองนี่ก็คือลักษณะของใจที่มันถูกกิเลสเหล่านี้เข้าปรุงแต่งเหมือนกับน้ําหยดเหมือนเอาสีหยดลงไปในน้ําก็ดูเปื้อนไปหมดเลยใจที่ถูกปรุงแต่งด้วยหน้ากรรมมิโต ก, ก็เป็นเช่นนั้นเพราะงั้นก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษ มองเห็นโทษของกามาสังกับปะคือความดำริด้วยอำนาจความใคร่ในการทั้งหลายและพยายามสั่รวมระวังบ้างพยายามลดบ้างพยายามผ่อนคลายบ้างพยายามละบ้างและพยายามหลีกหนีออกไปจะบ้างเป็นต้นตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์เหล่านั้นอะไรที่พอลดละได้ก่อนลดละไปบ้างถ้ามันมีอยู่แล้วก็จะแบ่งให้มันเบาลงไป เพื่อเป็นการเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นก็แบ่งปันลงไปทั้นคําสอนในแนวต่างๆที่ปรากฏกันอยู่เช่นทานารรมัยคาสอนในแนวทานนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการถ่ายถอนกําหนัดหรือความกําหนัดที่มีอยู่ในวัตถุเหล่านั้นประการกว่าบุคคลจะมีความกําหนัดยังเป็นของเราของเราอยู่ไม่สามารถที่จะสละได้แล้วทำยังไงจึงจะพัฒนาใจมันเกิดความคิดเสียสละขึ้นมา ที่พระเจ้าทรงสอนความคิดในสามช่วงความคิดที่เรียกว่าเจตนาสามประการคือในก่อนที่จะให้ก็มองเห็นคุณของการให้มองเห็นโทษของการไม่ให้ชัดเจนแล้วกเกิดศรัทธาขึ้นมาทําความปองสายเกิดขึ้นภายในใจแล้วน้อมไปเพื่อความเสียสละแต่บุงคลไม่ควรลืมว่าความดําริเหล่านี้เป็นกุศลเพราะเกิดเป็นกุศลมันจะมีตัวเบียนคืออกุศลขึ้นมาสแสวง จะมีลักษณะกระสิบใจอยากให้เลยของเรามีน้อยประเดี๋ยวจะลําบากวันหลังแล้วจะกระซิบใจในแนวที่เป็นมิตรเกื้อกูลอยู่เสมอเพราะนั้นเป็นอาการของมารที่เป็นผู้กระสิบใจแกจะมาในรูปมิตรเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกว่าต้องดูที่มุนจะนะเจตนานด้วยนในขณะที่ให้นั้นใจยังผ่องใสยอยู่หรือไม่หรือวชักเสียดายแล้วหรือวชักรู้สึกไม่สบายใจแล้วหรือไม่อยากให้ไปแล้ว ก็ดูจิตได้เห็นในขณะนั้นนั้นและอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังจากให้ไปที่เรียกว่าอปราพระเจตนาคือหลังจากให้ไปนั้นมีความผ่องใสมีความปราโมทมีความปีติบังเกิดขึ้นจากการให้นั้นหรือไม่รักษาสาจิตได้สามช่วงก็แสดงว่าความดําริในที่นั้นแทนที่จะตกไปในกระแสของอกุศลเป็นกามสังกปะคือความดําริด้วน้าความแคายก็ว่าตกไปในาสายของกุศลแล้ว คือสายที่เราเรียกว่าเนกธมะสังกปปะคือดัมมิตในการที่จะถ่ายถอนในการจะทําจิตของตัวในออกไปจากอานาจของกิเลสกามทั้งหลายเพราะแนวแนวธรรมะปฏิบัติทั้งหมดที่ส่งแสดงไม่ว่าจะโดยนัยไหนก็ตามในชั้นใดก็ตามมันจะเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาทำนองเดียวกับหนังสือทั้งหลายที่ในเรียนศึกษามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเด็ ก, นดกอนุบาลก็เรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เล่มหนัสือเหล่านั้นก็เกื้อกูลต่อการอ่านต่อการคิดค้นต่อการขีดเขียนของบุคคลมาตลอดเวลาเขียนท่านบางทีก็ใช้ความรู้สมัยอนุบาลเขียนบางทีก็ใช้สมัยประถมเขียนบางทีก็ใช้สมัยมัธยมเป็นต้นมาเขียนเพื่อนธรรมะปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นจะจะมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันการปฏิบัติในส่วนที่จะผ่อนคลายความกับหนัดความยึดติด จึงสามารถทําได้ทั้งสามวิธีคือวิธีกําหนดรู้ความจริงในตัวอารมณ์มองเห็นโทษของความกําหนัดในอารมณ์ทั้งหลายตือมองเห็นคุณของการประพฤติปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อลงมือแตะในจุดใดจุดหนึ่งแล้วผลก็จะดําเนินไปตามขั้นตอนของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุนต่อไป